ดูความพิสุจทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจนี่เป็นธรรมที่ควรละทุกขะสมุทัยอริยสัจนี้เราละได้เสร็จแล้วเนี่ยนะละเสร็จแล้วเนี่ยนะเบื้องต้นละด้วยตทางข้าประหารวิขำปะะประหารละด้วยสมถะและวิปัสนา ความเคียงคู่กันควบคู่กันแห่งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นสมุดเชทปหารแห่งคืออารยมรรคเนี่ยนะเรียกว่าสมุดเชทปหารเนี่ยก็ได้ทํากิจละได้อย่างแท้จริงพราะละเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่จะละเสร็จแล้วจริงๆอ่ะก็ต้องละด้วยโสดาปติมรละด้วยสกทาคามิมรละด้วยอนาคามิมรและก็ละด้วยอรหัตตมรในชั้นต้นเนี่ยนะสมุไทยทั้งหลายต้องละด้วยสมถะและวิปัสสนากร สมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะประชุมกันได้สี่ครั้งก็ทำกิจละได้แล้วเนี่ยผู้ที่กำลังละอยู่ผู้ที่กำลังละสมุทัยด้วยสมถาวิปัสนาอยู่เรียกว่าเป็นพระเสขผู้ที่ละสมุทัยได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าเป็นพระอเสขเพราะสิกขาสามเนี่ยนะอาทิศีลสิกขาที่จิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาเพื่อการละสมุทัยอธิตศีลเป็น เป็นสัมมาวจจะสัมมากรรมตาสัมมาชีวะอธิจิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอธิปัญญาสมาธิฐิสัมมาสังกัปปะถ้ากำลังละอยู่ก็เป็นเสขะเพราะเสขะก็คือศิกขาสามผู้มีศิกขาสามเรียกว่าพระเสขะผู้ที่เจริญสิกขาเหล่านี้จนละเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นแหละเป็นพระอเสขะเพราะไม่มีอะไรทีต้องละอีกแล้วเพราะไม่มีเยื่อใยในสิ่งใด ถ้าไม่พันกับสิ่งใดจะต้องละจากสิ่งนั้นไหมจะต้องตัดจากสิ่งนั้นไหมหมายความว่าถ้าไม่ถูกพันไว้กับอารมณ์ใดแล้วจะต้องตัดใจกับอารมณ์นั้นไหมบอกไม่จําเป็นเนยนะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับลมพัดทุกแห่งรู้ทุกแห่งแต่ว่าไม่ติดอยู่สักแห่งเดียวพระองค์เป็นเช่นกับลมเหมือนกับลมที่ไม่ติดอยู่กับตะข่ายฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพัดรับในขันห้าทุกชนิดแต่ไม่มีฉันราคะเยื่อใหยในขันห้าแม้แต่ อย่างเดียวไม่มีเนี่ยนะไม่มีขันใดจะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเครืองของพระพุทธเจ้าไม่มีขันใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะสําหรับพระพุทธเจ้าและไม่มีขันเหล่าใดทําให้ใจของพระพุทธเจ้าลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะคลั่งเพ้อด้วยอํานาจโมหะเป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์เรียกว่าละเยื่อใหญในขันห้าเหล่านั้นอีกแล้วเนี่ยนะก็อันที่จริงเนี่ยนะคนที่วิจัยไข้ครวญรอบรู้สิ่งนั้นจนละเอียดถี่ถ้วน อนะรอบรู้จริงๆรอ่ะนะรอบรู้ในเรียกว่ารอบรู้ด้วยอานาจปริญญาอย่างดีเยี่ยมเลยก็ไม่รู้จะมีเยื่อใหยอะไรกับสิ่งใดอีกเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับเอาใครเคยกเอากระสอบผุผุมามกระสอบผุๆแล้วก็มาดึงเส้นใหยดึงเส้นไหนมีกับมีแต่ใบผุดึงไปจนหมดแล้วมันก็มีแต่กองขยะกองอยู่เท่านั้นถามว่าจะเอาไปใส่ไปเกะใส่ของใส่อะไรอีกต่อไปไหม ยินดีที่จะเอามันก็ก็กระสอบผุผุชันใดขันห้าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นขันห้าก็คือขันผุผุเท่านั้นเองแต่ความที่เพราะความไม่ได้วิจัยให้มันดีเพียงพอก็เลยนึกว่ามันไม่รู้จักผุเนี่ยนะมันก็เลยเหมือนกับโอ้ใช้งานอีกนานแต่จริงๆมันก็คือของผุผุแต่ของถ้าผุผุเนี่ยเขาเรียกว่าเปื่อยกับเน่าเนี่ยนะผุเสร็จก็เปื่อยเปื่อยแล้วก็เน่าทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็เนื่องจากว่า ไม่เคยรอบรู้แล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะตัดฉันตราค่าอะไรมันจะผุมันจะเปื่อยมันจะเน่าก็ดูแลมันไปเนี่ยนะน น, นก็ทายังไงได้มันของเราขะวังอันนั้นนะยังของเราอีกนะขนาดมันเลวร้ายโหดร้ายขนาดนั้นกนะของเราของเราโทษของวัตตะก็ของเร า, เร า, ถ, ะะเราถามว่าของไหนที่มันนำมาซึ่งน้ำตาสิ่งนั้นยังจะเรียกว่าของเราอีกหรือ ของเหล่าไหนาที่จะนําให้มันตกนรกยังบอกว่าสิ่งนั้นคือของเราอีกไหมของเหล่าไหนาที่จะนํามาซึ่งชาติชรามรณะโศกาปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตยังอยากเรียกของสิ่งนั้นว่าเป็นของเราอีกหรือเนี่ยนะก็เพราะว่าแหมไอ้เยื่อใยนี่มันอะไรจะเท่านั้นไนมะ่มีอีกแล้วเนี่ยนะอะไรจะเท่ากับความเยื่อใยพระองค์ก็ตัดได้เสร็จสิ้นแล้วเนี <c oughs> ย่ยนะถามว่าเพราะอะไรนะมีอะไรหนออะไรเป็นที่ตั้งให้พระองค์ตัดสิ่งเหล่านี้ได้ อะไรเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวยืนยันว่าพระองค์ตัดใจจากขันห้าได้แท้จริงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์หนีโรธก็เนื่องจากเห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงตัดอาลัยอาวในขันห้าอย่าไปคิดโอ้มันเลวจริงๆว่าต้องตัดต้องตัดต้องตัดจะต้องตัดต้องตัดเออถ้าตัดแล้วเอาใจไปวางไว้ที่ไหนอ่ะ นะนะใช่ไหมถ้าหากว่าไม่รู้จักพระนิพพานอยากคิดนะบอกว่าทําเป็นเบื่อแกล้งเบื่อที่ไหนได้มันก็อยากนั่นแหละเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักพระนิพพานเป็นที่อิ่มแท้เนี่ยนะยังไงก็พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดที่ยังไม่ได้สุกในพระนิพพานอยากคิดนะว่าจะไม่เอาสุกในขันห้ายังไงคือสัตว์ทั้งหลายมันเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่ติดข้องอะนะอยากมีความสุขอะทีนี้ถามว่าถ้ายังข้องในขันห้ามันก็ไม่ได้สุกจากพระนิพพาน ผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็ตัดเยื่อใอาายอะไลอาวรสุกที่มีในขันห้าเนี่ยนะมันก็แทงตลอดนิโรดนั่นแหละทุกขณ น, นิโรธนั้นควรทำให้แจ้งคือพระนิพพานนั้นควรทำให้แจ้งพระนิพพานนั้นพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วมีพระนิพพานไหนบ้างที่เรียกว่าพระองค์เนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งได้จากสังขารทุกชนิด พิจารณาเห็นผมและแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ทําได้พิจารณาเห็นขนพระองค์ก็แทงตลอดพระนิพพานได้พิจารณาเล็บเสร็จแล้วก็แทงตลอดพระนิพพานได้พิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระองค์ก็แทงตลอดพระนิพพานได้เพราะพระนิพพานเนี่ยนะไม่ใชกว่าที่สุดแห่งอะไร ธรรมะที่ดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธรรมะที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อพระองค์พิจารณารูปองค์ก็ดับรูปได้เมื่อพิจารณาเวทนาพระองค์ก็ดับเวทนาได้เมื่อพระองค์พิจารณาสัญญาพระองค์ก็ดับสัญญาได้พิจารณาสังขารก็เข้าถึงความดับสังขารพิจารณาวิญญาณก็เข้าถึงความดับวิญญาณพระองค์จึงบอกว่ารูปเหตุเกิดของรูปความดับรูป อันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธแต่พูดอีกสำนวนหนึ่งเลยบอกนีรูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปมั้นพระองค์รู้จักรูปคืออะไรเหตุเกิดของรูปคืออะไรและความดับรูปคืออะไรเพราะพระองค์รู้ความดับรูปพระองค์จึงไม่ต้องการสร้างรูปและก็จึงไม่สร้างรูปเนี่ยนะก็เนื่องรู้จักรูปอย่างดีรู้จักเหตุเกิดแห่งรูปเป็นอย่างดีพระองค์จึงดับรูปได้อย่างสนิทเนี่ยนะก็ไม่รู้จะสร้างรูปไปทําไมเนี่ยนะ ว้าอะไรจะเป็นภาระเท่ากับขันห้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะภาระจริงๆอะมันวุ่นวายทะเลาะเบาแวงกันเรื่องมันเป็นเรื่องกับขันห้านี่เลยเพราะมีขันห้าจึงมีทุกเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะพ้นจากขันห้านี่พ้นจากอะไรก่อนหมอพ้นจากความคิดตัวนี้ก่อนนะเนี่ยแม่ความคิดมันอยู่กับขันห้าใช่ไหมเราให้มันพ้นเลิกพ้นดับขันห้าดับโดยเฉพาะไอ้ตัวความคิดนี่เลวร้ายมากกว่าเงินเวทนาสัญญาสังขารอยู่ที่ไหนก็อยู่กับ ม, มันคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือรูปวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความคิดก็คือรูปนั้นก็เบื่อหน่ายความคิดเบื่อนายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นั่นแหละทุกข์นิโรธพระองค์บอกว่าดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมตั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์นิโรธอริยสัจทุกข์นิโรธอริยสัจพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโดยประการใดๆพระองค์ก็ทําเสร็จสิ้นแล้ว พันพระองค์เนี่ยเขบอกว่าหลังจากตรัสรู้เป็นต้นมาเนี่ยนะพระองค์มีใจน้อมไปในพระนิพพานโดยส่วนเดียวแม้กระทั่งว่ากําลังแสดงธรรมอยู่ระหว่างแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติแสดงจบก็เข้าพระสมาบัติก่อนแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติหลังแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติเดินก็เข้าพระสมาบัติได้นั่งก็เข้าพระสมาบัตินอนก็นอนเข้าพระสมาบัติก็คือน้อมไปในอสังขตะธรรมที่เรียกว่าพระนิพพานทำเป็นที่ ดับทุกเนี่ยนะเอาถามว่าในท่ามกลางอากาศที่มันร้อนระอุเป็นร้อยร้อยองศาเนี่ยนะแล้วมันมีห้องแอร์เย็นสบายเนี่ยนะถามว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนเอา พระพุทธเจ้ามองเห็นขันเหล่าไหนที่มันเย็นมั้งไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้ามีแต่ขันที่เป็นของร้อนถามว่าพระองค์จะหลีกไปที่ไหนอ่ะก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นคือพระนิพพานเป็นธรรม ท, ที่ที่เย็นเน่ยกระสีติภาวะเนี่ยนะเป็นธรรมที่เย็นหรือสันติภาวะธรรมที่สงบพระองค์าาก็หลีกไปหาพระนิพพานโดยส่วนเดียวจะอยู่ในท่ามกลางมันไงก็คือความร้อนที่มันร้อนระอุพระองค์ก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นขันห้าเป็นของร้อนพระนิพพานเป็นของเย็น บอกว่าขันห้าเป็นเหมือนกับความมืดมิดเนี่ยนะถ้าถามว่าอยู่ในโลกที่มืดมิดกับในโลกที่สว่างสวัยเนี่ยถามว่าจะเราที่จะเลือกอยู่แบบไหนก็ต้องเลือกไปหาที่สว่างสวัยฉันใดพระองค์เนี่ยเห็นภยัยเห็นพิ ษ, เ ห, พษเห็นทุกข์เห็นโทษของขันห้าโดยเง่มุมต่างๆโดยประการต่างๆใจของพระองค์ก็หลีกไปหาแต่พระนิพพานแล้วก็หลีกได้สําเร็จด้วยเพราะเห็นอะไรพระองค์ก็หลีกได้สําเร็จเรียกว่ากลับใจได้ทุกเรื่อง ให้กลับใจได้ในทุกเรื่องเรียกว่าวิวัตตะก็คือกลับใจได้นะนะก็คือกลับใจจากขันห้าได้ทุกขันนะนะกลับใจได้หมดแล้วกลับใจจากใจได้ด้วยเอาแต่เพราะไม่ได้แบกใจไว้นะก็กลับใจจากใจก็ไม่ได้ถือว่าใจเพราะก็ถือว่าใจก็เป็นขันห้าอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่ากลับใจจากใจก็เลยไม่มีใจใดพัวพันุ์ในใจใดเลยก็เห็นว่าใจเป็นธรรมที่ควรหลีกออกโดยส่วนเดียวก็หลีกสําเร็จถามว่าหลีกด้วยอะไร ดูความพิสูจนทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์นิโรธคามิหนีปฏิปทาอริยสัจกิจที่ทำดังกล่าวไปแล้วทำด้วยทรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาศัมมากมันตะสัมมาชีวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละก็เรียกว่านิยานิกระทามธรรมที่นำออก คือพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วย อ, องค์มรคหรือสมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาเท่านั้นแหละจึงหลีกออกได้จึงกลับได้กลับจากวัฏฏะได้นีจึงเปลื้องได้สมุทัยที่อะไรอาวบนในขันห้าเปรียบเหมือนหนี้หนี้ชนิดที่เรียกว่ามันพัวพันผูกพันพัวพันทั้งรกระว่ามันไม่รู้จะพันยังไงอีกแล้วเนี่ยนะอริยมรค ก, ก็เหมือนกับอริยทรัพย์ที่มาถอนหนี้ได้เสร็จสิ้นเลยเนี่ย มันพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสัพย์อริยรัพย์อริยมรรคก็คืออริยรัพย์นะพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคอริยมรรคก็คืออริยสัพย์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะคือผู้สมบูรณ์ด้วยอริยรัพย์คือพระองค์มีอริยสัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาตอินทรีพระละโพชฌงและองค์มรรคพระองค์มีจ่ายพอที่จะไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉุดพระองค์ไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์จ่ายด้วยสสสััััมมมมาาิงกปะ คือพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยศัพท์เนี่ยนะเป็นคุณธรรมนำออกจากทุกเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้ยเห็นโทษในทุกขเหลือเกินรู้แล้วว่าทุกขสมุทัยนี่เลวร้ายมากนำมาซึ่งกองทุกทุกขนิโรธเยนเหลือเกินตั้งจิตไว้เธอว่าจะต้องเจริญในธรรมที่ควรเจริญถ้าไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่ออกไม่ได้หรอกนั้นอริยมรรคเนี่ยแหละเป็นธรรมที่ควรเจริญพวกบอกว่าเจริญเสร็จแล้ว ทุกทุกเรื่องนะนะจักขู่นิโรธค า, ามมนีปฏิปทาพระองค์ก็มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทุกขานิโรธคามมนีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกมีอารมณ์อะไรบ้างที่พระองค์เจริญมรรคแปดไม่ได้ของเรามีอะไรบ้างที่จเจริญมรรคแปดได้บ้างตรงกันข้ามเนะเอ๊ะเห็นอะไรแล้วมีมรรคแปดได้ม้างเนี่ยเออเนี่ยเห็นเห็นสีสัสามมาวะสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ ห, หามยากแท้เนี่ยนะ นะตรงกันข้ามมิจฉาทิฐิบ้างนะันะั่นนะถามว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิม ต, ต่างกันยังไงบอกว่าคุณเห็นอะไรปั๊บนึกถึงกรร ม, มสรรตาก่อนไหมไม่ย่งไงนะนะนะนะมีแต่คนโน้นมาหาคนนี้คนนี้จะไปหาคนโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอา้าแล้วสัมมาทิฐิข้อไหนถ้าคิดอย่างนี้บรรลุนับ้บรรลุกันนานแล้วเนี่ยนะ มม่มันสมาธิฏฐิมีไหมเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเจริญมรรคแปดได้กับทุกเรื่องถามว่าอารมณ์อะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งส ม, มถะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่นําออกไปจากทุกขคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเรียกว่าทุกขานิโรธคาไม น, น, น, นิปฏิปทาเพราะพระองค์เป็นผู้มีข้อปฏิบัติแต่ที่มีข้อปฏิบัติอย่างเนี้ยเพราะพระองค์ตั้งใจไว้เพื่อการปฏิบัติ เรีว่าผู้สมบูรณ์ด้วยปณิธิผู้สมบูรณ์ด้วยการตั้งข้อปฏิบัติเป็นผู้ตั้งไว้เพื่อการปฏิบัติแล้วก็แสวงหาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่พึ่งแสวงหาแสวงหามานานเต็มทีและแสวงหาข้อปฏิบัติเนี่ยนะว่าจะปฏิบัติอย่างไงจึงจะนําออกจากทุกขปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกปฏิบัติอย่างไรจรึงจะรอบรู้ในกองทุกปฏิบัติอย่า ง, งไจรจึงจะดับเหตุแห่งทุกปฏิบัติเช่นใดเนี่ยนะจึงจะนําออกไปจาก ทุกเนี่ยนะปฏิบัติเช่นใดจึงจะเข้าถึงธรรมะที่ดับทุกเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ลองทุกประเภททุกชนิดถ้าจะคนจะกล่าวด้วยการมาสุขพระองค์ก็เคยนะการมาสุขพระองค์บอกว่าปราสาทของพระองค์มีสามหลังอยู่ได้สามฤดูนนะีมีแต่คนดูแลที่งดงามหมดเลยว่างั้นเถอะทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาหมดอันนถ้าพูดถึงการมาสุขถามว่าใครได้รับการบำรุงบำเรอเท่าท่านมั่งบอกไม่มี ถ้าพูดถึงคนที่ทุกทุกที่สุดทุกถึงขนาดเรียกว่าโอาเรียกว่าหายใจปั๊บเป็นลมเลยเนี่ยนะสลบฟื้นขึ้นมาได้รูปท้องถึงหลังรูปหลังถึงท้องเนี่ยนะเขาเรียกว่าอุจาระเหมือนกับอะไรน ะ, มะเมล็ดอะไรมะเมล็ดดำๆแค่นั้นอนะ่ะที่ถ่ายออกมาตาเนี่ยมันลึกเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็รูปตัวปั๊บขนเนี่ยหลุดเลยเรียกว่าขนมันเน่าอะ่ะมันขาดอาหารอนะ่ะหลุดปับป๊บรูปตัวปั๊บขนหลุด เรีว่ามหาปริศลักษณะไม่รู้หายไปไหนก็เหลือแต่ว่าชายคนหนึ่งที่เหลือแต่โครงกระดูกเดินได้เท่านั้นเองเนี่ยนะก็บอกว่าทุกขนาดนั้นพงษ์ก็เคยทําเจ็บปวดชนิดที่เรียกว่าปวดหัวถึงว่ามันเกือบจะระเบิดอยู่แล้วถ้าพูดแบบภาษาเราแบบแทบระเบิดอยู่แล้วเนี่ยนะส่วนไหนบางที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่มีสุดยอดของคนที่ทุกที่สุดเท่าที่เรียกทุกเนีก็เลยเรียกว่าทุกขกรกิริยาถ้าใครทําต่อจากนี้นิดเดียวตายก็แล้วสุดยอดของคนทุกอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรจะทุกขนาดนี้อีกแล้ว สุขที่สุดก็บอกว่าสุขสุดสุดอยู่แล้วอันนี้พูดแบบทั่วๆไปมันก็ไม่ใช่อีกว่าข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากทุกพระองค์มาเลือกเฟ้นเห็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเลือกเฟ้นในสมัยนั้นที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิท่านหาได้อย่างไงเนี่ยนี้น่าอัศจรรย์มาก ท่านเลือกเฟ้นหาข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์แล้วท่านแยกว่าเออเนี่ยทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะสมุทัยมันเป็นอย่างนี้นะนิโรธเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้คิดได้เองในท่ามกลางคนสมัยนั้นสมัยนี้ก็ว่าเออทำมาจากใครท่องได้บ้างนะเอาแค่จําได้ก่อนยังยากแล้วถามว่าคนที่จําได้แล้ววันหนึ่งคิดกี่ครั้งก็เวลาเขานิมนต์ไปสวดก็สวดสักทีหนึ่งนะคะแนน แล้วคนที่สวดแล้วถามว่าเคยเอามาตรึกไหมทุกคําทุกคําทุกคําแล้วคนที่ตรึกบ่อยๆและเจริญตามนั้นไหมถือว่าทำรรมาจากเป็นข้อปฏิบัติไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติตามธรรมจักแล้วพระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ล่ะเป็นไปได้ไหมใครที่คิดว่าตัวเองจะถือเอาธรรมจักเป็นข้อปฏิบัติบ้างนั่นแหละคือสาระสําคัญที่สุด น, นะว่าจะถือเอาธรรมจักเป็นข้อปฏิบัติไหมพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามรอบสามก็คืออะไรรอบสัจยานกิจยานและกตายานเนี่ยนะอริยสัจนี้มีสี่เนี่ยนะเพราะสัจยานก็คือนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคาม่มีปฏิปทาเพราะสัจยานเนี่ยนับหนึ่งรอบแล้วก็มีอาการสี่อย่าง กิจยานก็คือกิจของทุกควรกําหนดรู้กิจของสมุทัยควรละกิจของนิโรธควรทําให้แจ้งกิจของอริยมรคควรเจริญเนี่ยนะรอบอันนี้กิจยานก็ถือว่าหนึ่งรอบแล้วมีกิจมีอาการสี่ก็คือทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละเป็นต้นอันนี้ก็คือหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วก็มีอาการสแล้วก็กตยานเนี่ยนะทุกทุกกำหนดรู้แล้วสมุทัยละแล้วนิโรธทําให้แจ้งแล้วมรคเจริญแล้วเนี่ยนะ รอบที่1นสัจจยานรอบที่สองกิจยานรอบที่สกตายานแต่ละรอบมีอาการ4อริยสัตสีเหล่านี้มีรอบสรอบสคือรอบของสัจจยานกิจยานและกตายานอาการ12ก็คืออาการ12บสองก็ทุกทุกสัตมีสามเนี่ยนะทุกทุกควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทยัยสมุทัยควรละสมุทัยเราละเสร็จแล้วนิโรธทุกอ น, นิโรธ ทุกคนนีรอควรทำให้แจ้งทุกคนนีรอดเราก็ทําให้แจ้งแล้วอริยมรรคเนี่ยนะอริยมครรคควรเจริญอริยมรรคเราก็เจริญเสร็จแล้วก็เรียกว่าสามคูณสเท่ากับสิสคืออริยสัจสี่สก็คือรอบ3เนี่ยนะรอบสามในอริยสัจ4ี่ก็เป็น12ถ้าปัญญาที่ทํากิจอย่างนี้เนี่ยนะยังไม่หมดจดดีแปลว่ายังสมองอยู่ยัง ไม่หมดจดก็แล้วว่ามันยังมัวมองยังเศร้ามองยังหม่นหมองยังไม่ผ่องแผ่ยังไม่จริงอ่ะนะเพียงใดดูก่อนพิ่สุทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นถ้าไม่รู้จริงอย่างนี้นะบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้า ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่มีรอบ3อาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา อันนี้ปัจเจกขณะยานเนี่ยนะว่าความพ้นวิเศษของเราเนี่ยกลับไม่กำเริบอรหัตผลของพระองค์ไม่กำเริบอีกแล้วอายะมันตินติชาณิปุรนโวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นที่สุดเนี่ยนะถือว่าการปฏิสนธิ ท, ที่ที่เกิดในพระคกันของพระนางมหามายาเนี่ยเป็นสุดแล้วจบแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ในการมาภบรูปภพอรูปภพไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องค้นหาพระพุทธเจ้าที่ที่ที่ไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาไม่พบแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นในกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะผ่านพระองค์ก็เอาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นลักษณะประโยคบอกเล่า ว, ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเนี่ยนะพระองค์พระองค์งปฏิบัติอย่างไรก่อนพระองค์ไม่ปฏิบัติอะไรคือไม่ปฏิบัติการมัศุขลิการุโยคไม่ปฏิบัติ การมาสุขลริการหรยอเพค์ไม่ทําอย่างนั้นหรอกมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกแบบนั้นถามว่าพระองค์ทําอะไรล่ะพระองค์ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดถามว่าเมื่อพงศ์ปฏิบัติตามมรรคแปดพ่อองค์รู้อะไรบอกรู้อริยสัจแล้วอริยสัจ ร, ร, รู้อย่างไรก็รู้ด้วยการกําหนดรู้ด้วยการละด้วยการทําให้แจ้งด้วยการเจริญและกิจเหล่านั้นก็ทําเสร็จแล้วเมื่อทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็น พระผู้เทเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าสิ้นพบสิ้นชาติแล้วเพราะทำกิจเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยาการณภาสิดนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะปราศจากทุรีดวงตาเห็นอริยสัจธรรมที่ปราศจากทุรีคือราคะเป็นต้นปราศจากมนทินคือความเศร้าหมองด้วยราคะเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระัญญาโกณัญญะดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือโสดาปติมัต เกิดขึ้นเห็นว das ่าสิ erste erste erste, ่งใดสิ erste erste, ่งหนึ die erste erste. Die erste ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันห้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะสมุทัยเนี่ยทำให้เกิดขึ้นขันห้าเหล่านั้นเนี่ยนิโรธธรรมังเนี่ยนะยังกินจิสมุทยะธรรมังยังกินจิก็คือยังกินจิเนี่ยสิ่งใดตัวนั้นหมายถึงขันห้าสมุทยะธรรมังก็คือทุกขสมุทัยเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสับพันธังนิโรธธรรมมังสับพันธ์ก็คือทั้งหมดนั้นน่ะนะนีโรธธรรมมังก็คือนิโรธก็คือความดับสิ่งนั้นน่ะถ้าแทงตลอดนิโรธแล้วสิ่งนั้นก็ดับทุกข์ก็ดับขึ้นเนี่ยนะก็มีอะไรมีทุกข์เหตุเกิดของทุกข์และก็ความดับทุกข์โสดาปฏิมักเนี่ยเห็นว่านี้ทุกทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกดับไปเพราะอย่างนี้เนี่ยนะก็ด้วยธรรมจักสุก ข, ของท่าน ก็คือพูดแบบภาษาเราก็บอกว่าพระอัญญาโกณทัญญาเห็นด้วยหมดเลยเนี่ยนะเห็นด้วยหมดเลยไม่คัดค้านเข้าใจตามนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงอ่ะหมายถึงอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยไม่มีข้อสงสัยก็ว่ากันถ้าเป็นที่อื่นในเราไม่มีความสงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเลยแม้แต่คําเดียวเห็นพระพุทธเจ้าพุทธรัตนะว่าพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ธรรมรัตนะคือคําสอนเหล่านี้แล้วก็พระสงฆ์ก็คือท่าน เป็นพระเรียเจ้าเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระเรียเจ้ามีบัญญาดีเนี่ยนะก็คือผู้ที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าเห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเห็นเองสาวกเห็นตามเห็นเห็นอะไรแต่ว่าเห็นอริยสัจนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อทั่วไปไม่ใช่แต่เห็นด้วยโสดาปติมมะเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้เจริญแบบ จเจริญตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมมาจักรคเครียกว่าธรรมะก็คืออริยสัจจะทำจักก็แปลว่าหมุนการหมุนอริยสัจจะทำให้เป็นไปหมุนวิธีกําหนดรู้ทุกหมุนวิธีละสมุทัยหมุนวิธีการทํานิโรธให้แจ้งหมุนวิธีการเจริญอริยมรรคเขาเรียกว่าประกาศศาสนาจักเนี่ยนะก็คือการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งนั้นด้วยศีลสมาธิและ จเจริญปัญญานั่นแหละเรียกว่าธรรมจักพรหมจักรให้เป็นไปแล้วปวัตะแปลว่าปวัตตเนี่ยนะเป็นไปแล้วเนี่ยนะเหล่าภูมิมเทวดาก็บลือเสียงเลยนะเสียงก็ดังสนั่นขึ้นมาวันนั้นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเก้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิ ป, ปัตนะมฤุกขทยายวันเข พ, พระคนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ใครๆในโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือคือ คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกไม่ทุกจริงสิ่งที่พระองค์บอกว่าเหตุแห่งทุกไม่ใช่เหตุแห่งทุกจริงนิโรธก็ไม่ใช่ของจริงอริยมรรคก็ไม่ใช่ของจริงไม่มีใครพูดได้ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณเทวดาคนที่เข้าใจตามนั้นและปฏิวัติไม่ได้แต่คนเข่าคนตาบอดหมูนวกทั้งหลายเนี่ยปฏิวัติได้เพราะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคนเหล่านี้เอาเป็นประมาณไม่ได้แต่หมายตรงเนี้หมายถึงว่า ใครที่เข้าใจหลักการเข้าใจกฎเกณฑ์เข้าใจข้อปฏิบัติเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างเนี่ยนะแล้วเอาออกมค า, านเ่ยนะดึงออกมาเลยนะครับถ้า เ, าเขาบอกว่าอะไรนะคนที่วิจารณ์พระไตปรปิฎกโดยที่ไม่เคยอ่านพระไตปรปิฎกเอาเป็นประมาณได้ไหม แต่ถ้าหากว่าอ่านทุกพยัญชนะจําได้หมดทําตามได้หมดปฏิบัติตามได้หมดแล้วดึงมาเลยว่ามันพลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าไล่ทุกว่ามันผิดพลาดอะไที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าชี้แจงได้ขนาดนั้นได้ว่ารู้จริงใช่ไหมแต่นี่ไม่มีใครแบบนั้นโดยมากก็บอกว่าไม่รู้จริงเก็บบางคําแล้วก็มั่วมัวนิ่มๆไปงั้นแหละถ้าอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ก็เลยบอกว่าธรรมจักไม่มีใครปฏิวัติได้เนี่ยนะสำหรับคนที่ฟังธรรมจักเข้าใจนะ จับปฏิวัติไม่ได้แต่คนไม่เคยฟังธรรมะจักแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็มันปกติมันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะหูหนวกตาบอดปัญญาอ่อนอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะที่จริงอะ่ะไม่มีปัญญาหรอกอย่าว่าอ่อนเลยถ้าอ่อนมันยังพอมีอยู่บ้างะนะคนเขาปราศจากปัญญาสิ้นดีปฏิเสธคําสอนของพระตถาคตเนี่ยนะก็บอกว่าขอมาบอกปาถนาไว้อย่างนี้บอกว่าขอให้เราอยู่กันคนละฝากรลกูกเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าโลกกลมๆอ่ะนะเรายืนอยู่คนละข้างล้วกันนะ เพราะโลกมันกลมะนะฮะโลกมันกลมเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งยืนอยู่คนละข้างไม่ต้องพบไม่ต้องเห็นไม่ต้องพบปะจะเจอเนี่ยนะอวยพรให้ตัวเองทุกวันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจได้ครบพลพานเลยเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ไม่เห็นอริยสัจนี่เขาเรียกบัณฑิตได้ไหมไม่ได้เขาเป็นคนผ่านแล้วคนที่เขาบอกว่าอ้ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยก็ไม่ว่าแล้วคนที่ปฏิเสธอริยสัจด้วยนี่สิมอแหมมันมหาบเออไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วก็ อาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาเนนะขอให้กับพระเจ้ามีความสุขได้คบพระพุทธเจ้าเถิดเนี่ยนะไอมีใจยินดีกับเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะขอรู้ตามขอเห็นตามขอพูดตามไม่รู้ไม่เห็นตามก็ขอข อ, อยู่นั่นแหละตามไปอย่างนี้แหละจะอยู่ที่ไหนก็จะตามไปเนี่ยนะตามไปรู้ตามไปเห็นแต่ยังไม่เห็นก็จะตามไปจนกว่าจะเห็นเนี่ยนะ